หัวข้อนิสัยช่างสังเกตความจริงทางจริตองค์ประกอบที่สาคัญของความฉลาดมีอยู่หลายประการในหัวข้อนี้จะยกมาสองประการ 1. คือมีสติเท่าทันตามจริง 2. คือความช่างสังเกตเปรียบเทียบหากคุณมีสติและช่างสังเกตตัวเลขในที่สุดคุณจะฉลาดเรื่องเลขทํานองเดียวกัน หากคุณมีสติและช่างสังเกตเข้ามาที่จิตและกรรมในที่สุดคุณจะฉลาดเรื่องจิตและกรรมคือทำอะไรล้จิตได้รับผลเดี๋ยวนั้นอย่างไรเพื่อเป็นแนวทางสังเกตง่ายๆเบื้องต้นขอให้ถือตามแนวของธานและศีลก่อนดังนี้เมื่อคิดสลาดทรัพย์หรือสิ่งของอันเป็นส่วนเกินให้ผู้อื่นสังเกตดูความจริงเกี่ยวกับจิตขณะนั้นจะพบว่าใจเบาลง นั่นเพราะอำนาจของทรัพยาทานไปละลายก้อนตระนิกเหนียวเหนียว<ๆ>กลางหัอกลงเสียได้เมื่อคิดสละความพยาบาทให้อภัยผู้อื่นที่เข้าทำผิดกับเราหรือผูกเวรกับเราได้สังเกตดูความจริงเกี่ยวกับจิตขณะนั้นจะพบว่ามีความโปร่งโล่งเยือกเย็นนั่นเพราะอำนาจของอภัยทานไปดับไฟโกรธร้อนร้อนกลางหอกเสียได้ เมื่อยับยั้งใจไม่ค่าแม่สัตว์เล็กสัตว์น้อยที่ทำความรำคาญแก่เราเช่นการข่ามดที่ขึ้นจานชามด้วยวิธีเอาน้ำล้างง่ายๆแต่เป่าหรือเคาะไล่เสียก่อนสังเกตดูความจริงเกี่ยวกับจิตขณะนั้นจะพบว่าแต่ละวินาทีของความพยายามไล่จะไม่สูญเปล่าคุณจะเห็นความเมตตาที่ค่อยๆเอ่อขึ้นเห็นกระแสต้านทานความคิดในเชิงฆ่าสัตว์หรืออีกในหนึ่ง เห็นภูมิคุ้มกันโรคภัยไข้เจ็บอันเกิดจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเมื่อร่างับความโลภไม่ขโมยไม่โกงไม่พูดช่อชนเพื่อนำสิ่งที่ไม่ใช่สิทธิ์ของคุณมาครอบครองสังเกตดูความจริงเกี่ยวกับจิตขณะนั้นจะพบว่ามโนภาพหน้าตาโกงของคุณเหือดหายไปแทนที่ด้วยใจที่ใส่ซื่อตรงไปตรงมาเมื่อเปลี่ยนนิสัยขี้โกงเป็นนิสัยซื่อได้ถาวร ลองส่องกระจกและถามตัวเองว่ากรรมตกแต่งหน้าตาได้จริงไหมจากคนขี้โลภมาเป็นคนชนะความโลภผิดผิดได้ทุกอย่างดูดีขึ้นหรือเปล่าเมื่อห้ามราคาผิดผิดไม่คิดคบชู้ไม่คิดเอาลูกสาวที่ยังมีพ่อแม่เลี้ยงดูมาทำมิดีมิร้ายตลอดจนกระทั่งหักห้ามใจไม่แตะต้องหญิงซึ่งไม่ใช่คู่ของคุณ สังเกตดูความจริงเกี่ยวกับจิตขณะนั้นจะพบว่ามีความหนักแน่นเข้มแข็งและเป็นตัวของตัวเองอย่างยิ่งไม่ตกอยู่ใต้อานตจของราคะอันทรงอิทธิพลเหนือมนุษยธรรมดาคุณอาจถูกประนามว่างโง่ในหมู่โลกิยะชนผู้เลงเป้าไปที่ของดีๆภายนอกแต่คุณจะภูมิใจในตนเองว่าเริ่มเป็นหนึ่งในผู้ฉลาดเล่นเกมกรรมที่เลงเป้ากลับมายัางจิตของตน ลองเฝ้ามองเอาเองว่าการเป็นผู้กำชัยเหนือราคาได้นั้นรสชาติเหนือกว่าชัยชนะในเกมกีฬาที่ต้องเหยียบบ่าผู้อื่นเพียงใดเมื่อหยุดคำโกหกไว้ได้แค่ที่ปลายลิ้นไม่ปล่อยให้มันผ่านออกไปเป็นเพียงเสียงพูดดังใจอยากสังเกตดูความจริงเกี่ยวกับจิตขณะนั้นจะพบว่าจิตคุณมีความตรงเห็นทุกสิ่งตามจริง อยู่ข้างความจริงไม่บิดเบี้ยวไม่เห็นทุกสิ่งพลามัวไม่อยู่ข้างความเท็จคุณจะรู้สึกเหมือนม่านหมอกที่ปกคลุมจิตเลือนสลายหายหุนมีแต่ความกระจ่างใสอยากเห็นอะไรอยากเข้าใจอะไรจะดูเหมือนฟ้าเปิดรู้เห็นและเข้าใจจะแจ้งไปหมดกับทั้งผ่านคนอื่นแล้วรู้ว่าการกล่าวคําโกหกเป็นคลื่นรบกวนความจริงเมื่อรบกวนความจริง เกมกรรมก็จะรบกวนความจริงของเขาเช่นกันอาจจะมาในรูปของคนใส่ใคร่ที่ใคร่ใส่สีบิดเบือนภาพของเขาให้บิดเบี้ยวผิดรูปไปมากเมื่อเก็บคําสอเสียที่เสียดแทงใจผู้อื่นไว้ได้สังเกตดูความจริงเกี่ยวกับจิตขณะนั้นจะพบว่ามีเมตตาอ่อนๆเกิดขึ้นแทนที่หากคําเสียดแทงนั้นยังก้องอยู่ในหัวคุณคุณอาจมีโอกาสเห็นเป็นครั้งแรก ว่าคำเสียดแทงนั้นเหมือนเข็มแหลมแหลมยิ่งเสียดแทงเท่าไหร่ยิ่งแหลมเท่านั้นการมีคำเสียดแทงอยู่ในจิตก็เหมือนเอาเข็มแหลมมาทิ่มตามตัวเองเมื่อระ ง, งับเสียได้กระทั่งในระดับความคิดคือไม่อยากแม้คิดร้ายกับใครจิตของคุณจะสบายขึ้นเป็นสุขกับตนเองมากขึ้นที่เห็นอาการโตอตอบกับโลกในทางเย็น เมื่อเปลี่ยนคำหยาบเป็นคำสุภาพได้สังเกตดูความจริงเกี่ยวกับจิตขณะนั้นจะพบว่าแรงอัดหนักๆ ห, หายไปความศกกระโกรของจิตเปลี่ยนเป็นความสะอาดแทนเมื่อเห็นความต่างอย่างแท้จริงคุณจะพบว่าการพ่นคำหยาบก็ไม่ต่างจากการเอาค้อนหนักๆทุบโป้งเข้ากลางหน้าผากของตนเองจิตตัวเองได้รับความบอบช้ำทันทีนั่นเองการฟกช้ำดำเคียวของจิต จะมาในรูปของความเมินงงไปชั่ววูบหรือรู้สึกคล้ายเอาม่านมืดมาคลุมหน้าทันทีทันใดโดยเฉพาะถ้าคำหยาบคายนั้นเกิดจากเจตนาประทุษร้ายผู้อื่นมิใช่คำหยาบที่เกิดจากเจตนาพูดหยอกเล่นหัวกับเพื่อนเพียงเลิกพ่นคำหยาบพร่ำเพรื่อเสียได้ใจคุณจะเหมือนผิวที่เปล่งปลัง่งไม่ฟกช้ำดังเคย เมื่อไม่พลามเพอเจอ้อหรือวิจารใครๆอย่างไร้สาระไร้เหตุผลเสียได้ทั้งที่ใจอยากสังเกตดูความจริงเกี่ยวกับจิตขณะนั้นจะพบว่าคุณมีสติ ด, ดีขึ้นฟุ้งซ่านน้อยลงยิ่งคุณเข้าข้างเหตุผลยิ่งคุณพูดแต่คำที่มีประโยชน์จะหยอกล้อเล่นหัวก็ให้พอดีคุณจะยิ่งพบว่าสาเหตุหลักที่คนเราฟุ้งซ่านจนยากจะห้ามนั้นก็มาจากการพูดไม่รู้จักหยุด ขุดเรื่องคนอื่นแบบไม่รู้จักคิดนั่นเองผลของการหยุดพล่ามเพอเจ้อจะลดพายุความฟุ้งในสมองได้กว่าครึ่งเมื่อห้ามปากไม่ให้เปิดรับเล่าหรือห้ามจมูกห้ามเนื้อหนังไม่ให้รับยาเสพติดสร้างความมืนเมาขาดสติใดๆสังเกตดูความจริงเกี่ยวกับจิตขณะนั้นจะพบว่าคุณมีความเป็นตัวของตัวเองมากขึ้น ยังครองสำนึกแบบมนุษย์คือรู้จักผิดชอบชั่วดีได้ครบถ้วนเปรียบเทียบแล้วคุณจะเห็นถนัดว่าถ้าตายไประหว่างไม่เมามีสติสมบูรณ์จิตของคุณจะยังสมควรแก่ความเป็นมนุษย์อยู่แต่หากสมองมืนชาจิตใจมัวมนก็จะไม่มีทางเป็นที่พึ่งของตนไม่มีทางแข็งแรงพอจะก้าวไปสู่เกมกรรมครั้งหน้าที่เสมอกันกับเกมกรรมรอบนี้ได้เลย หากเห็นความจริงเกี่ยวกับจิตและกรรมอันเป็นปัจจุบันไประยะหนึ่งจุดรวบยอดคือคุณจะสามารถแยกแยะได้ว่ากรรมใดทำแล้วคุณเป็นประโยชน์นํามาซึ่งความสุขกรรมใดทําแล้วเป็นโทษนํามาซึ่งความทุกข์คุณจะจําแนกแยกแยะได้ตามจริงว่าแม้บางทีอาจต้องเดือดร้อนกายตอนนี้แต่จะสบายใจในระยะยาวก็นับว่าคุ้มกันคุณจะเลือกกรรมที่เป็นประโยชน์มากกว่าโทษ หรือถึงแม้ไม่อาจละกรรมที่เป็นโทษได้เด็ดขาดจิตก็จะไม่ถล่ำลงเป็นหมกโครนบาปทั้งดวงจากนั้นคุณจะมีความสามารถสังเกตสังกาความจริงได้ละเอียดอ่อนมากขึ้นเรื่อยเรืเห็นทั้งเหตุผลที่สุขเหตุผลที่ทุกข์เหตุผลที่สงบเหตุผลที่ฟุ้งซ่านเหล่านี้จะทำให้คุณเข้าใจว่ากรรมแต่ละอย่างทาแล้วให้ผลกับจิตใจเสมอ นานไปคุณจะเห็นเหมือนจิตใจแบบต่างๆมีแรงดึงดูดเหตุการณ์เฉพาะตัวกล่าวคือถ้าจิตสว่างก็จะดึงดูดเหตุการณ์ดีๆเข้ามาแต่ถ้าจิตมืดก็จะดึงดูดเหตุการณ์ร้ายๆไม่เลิกและนั่นเองจะทำให้คุณเริ่มเชื่อว่ากฎของเกมกรรมมีอยู่จริงคุณจะไม่เชื่อเพียงเพราะฟังใครอีกต่อไปเพราะใจเห็นประจักษ์ด้วยตนเองอย่างท่องแท้เสียแล้ว พฤติกรรมทางจิตของคุณจะแปลกเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงคุณจะสังเกตได้ละเอียดกระทั่งจิตที่คิดทำร้ายเพียงนิดเดียวแม้ด้วยคำพูดประชดเล็กๆยิ่งหากพลั้งปากหลุดคำกระทบกระแทกใจใครก็อาจรู้สึกผิดได้มากแต่ถ้าระงับทันก็จะเป็นสุขและเหมือนได้พัฒนาตัวเองขึ้นมาอีกขั้นและที่สุดคุณจะรู้สึกเหมือนดังเดิมนั้น ในหัวเต็มไปด้วยปฏิกูลและสิ่งอุดตันจำเป็นต้องทะลวงผ่านด่านอุดตันไปทีละเปลาะการให้ทานและการรักษาศีลทีละข้อเท่าที่ทำได้คือการเคาะการเจาะทะลวงสิ่งอุดตันที่ว่านั้นสรุปคือไอคิ IQ ในการเล่นเกมกรรมของคุณจะสูงขึ้นอย่างน่าอัศจรรย์ถ้ารู้ว่าจะโกยแต้มฉลาดมาจากไหน จบบทที่8รูปประกอบทิ้งท้ายคนนึงกล่าวว่าฟังเรื่องกรรมไปเรื่อยๆอยู่ๆก็รู้สึกว่านิสัยดีขึ้นแฮไอกคนตอบว่าอยู่ในเกมถ้าเข้าใจเกมก็ตาสว่างรู้ทางดีขึ้นเป็นธรรมดาแต่อีกคนกลับพูดว่าแต่พอเป็นคนดีแล้วทําไมรู้สึกโง่ลงอะถามว่าโง่ยังไง ก็ต อ, ตอบว่าเหมือนไม่มีพิษสงหมดอารมณ์ชิงดีชิงเด่นโดนเอาเปรียบง่ายอีกคนจึงตอบว่ารู้กติกาเกมกรรมนั่นแหละได้เปรียบที่สุดแล้วพอตอบแบบนี้อีกฝ่ายก็บอกว่าอารมณ์พลิกแล้วอะ่ะชักไม่อยากจะเชื่ออีกแล้วอีกฝ่ายจึงสวนกลับไปอีกว่ากลับมาใส่แว่นดำคราวนี้รู้สึกเหมือนโลกมืดลงไหม